ราคะเปยยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทาสิทประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำนัดทาสิทประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภะสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณะสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเร ป, ปฏิกูลสัญญา กำหนดหมายความปฏิคูในอาหาร 4. สัพโลโลเกอนาพริราตาสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อณิจจะสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อณิเจทุก ข, ขสัญญากำหนดหมายความทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกเขอนาตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 8. ปะหารสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุณลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 9. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีต 10. นิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตภิสุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม1ิประการ น, นี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกสุทั้งหลาย บุคคลควรจเจริญทำส10ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำ10บประการอะไรบ้างคือ 1. อณิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อาหารเรปฏิกูลสัญญา 4. สัพพโลเก อ, อนะพิรตสัญญา 5. อธิกะสัญญากำหนดไม้ซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อน 6. ปูรุวก ะ, กะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีน้อนคลาคล่ำเต็มไปหมด 7. วินีละกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆ 8. วิปุพะกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่แตกปริออก 9. วิชิตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อน สิอุทุมาตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิบประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิประการเพื่อรู้ยิ่งราคาทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. ส, สัมมาสังกัปปะดำริชอบ สามสัมมาวาจาเจรจาชอบสี่สัมมากรัมรมันตะกระทำชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็สัมมาสติระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบเก้าสัมมาญาณะรู้ชอบสิบสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบ ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิประการเพื่อกำหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะ เพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิบประการนี้เพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิบประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายและถึงเพื่อกําหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะ เพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโปทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัชริยะความตรณีมายามานยาสาเถยย ความโอ้โอวดธรรมพะความหัวดือ้อสารัมพะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามัทะความมัวเมาปรมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญทำสิบประการนี้เพื่อความสละคืนปรมาทะราคะเปยัญจบปัญจมะปัญนาจบ ทศกาลบาตจบบริบูรณ์พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกาทศกาิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปติสารความไม่ร้อนใจเป็นผล มีอวิปปิสารเป็นอานิสงอวิปปิสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงพระพุทธเจ้าค่าอานนท์อวิปปิสารมีปรามโมทความบันเทิงใจเป็นผลมีปรามโมทเป็นอานิสงปรามโมทมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงพระพุทธเจ้าค่าอานนท์ปรามโมทมีปิติความอิ่มใจเป็นผล มีปีติเป็นอนิสงปีติมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงพระพุทธเจ้าค่าอานนท์ปีติมีปัสสติความสงบกายสงบใจเป็นผลมีป SO ัสสติเป็นอนิสงปัสสธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงพระพุทธเจ้าค่าอานนท์ปัสสติมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอนิสง สุขมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงฆ์ mm พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ rade. สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงฆ์สมาธมิ market market wow มีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงฆ์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์สมาธิมียถาภูตยานัทสนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเป็นผลมียถาภูตยานัทสนะเป็นอานิสงฆ์ ยะถาภูตยานทัศนะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงฆ์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ยถาภูตยานทัศนะมีนิพพิทาความเบื่อหน่ายเป็นผลมีนิพพิทาเป็นอนิสงฆ์นิพพิทามีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงฆ์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์นิพพิทามีวิราคะความคลายกำหนัดเป็นผลมีวิราคะเป็นอานิสงฆ์ วิราคามีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงฆ์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์วิราคามีวิมุติญาณทัศนะความรู้ความเห็นในวิมุติเป็นผลมีวิมุติญาณทัศนะเป็นอนิสงฆ์อานนท์ศิลนที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอนิสงฆ์อวิปปิสารมีปรามโมทเป็นผล มีปราโมทเป็นอนิสงส์ปราโมทมีปิติเป็นผลมีปิติเป็นอนิสงส์ปีติมีปัสสติเป็นผลมีปัสสิเป็นอนิสงส์ปัสสิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอนิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอนิสงส์สมาธิมียถาภูตยานัทสนะเป็นผลมียทถาภูตยานัทสนะเป็นอนิสงส์ ยถาภูตตญาณทัศนะมีนิพพิทาเป็นผลมีนิพพิธาเป็นอนิสงสนิพพิธามีวิราคะเป็นผลมีวิราคะเป็นอนิสง์วิราคะมีวิมุตตญาณทัศนะเป็นผลมีวิมุตตญาณทัศนะเป็นอนิสง์อานนท์ศีลที่เป็นกุศลย่อมทําอรหัตผลให้บริบูรณ์โดยลําดับอย่างนี้แล มัติยะสูตรที่หนึ่งจบ 2. เจตนาการณียสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่ต้องทำด้วยความตั้งใจพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลไม่ต้องตั้งใจว่าขออวิปติสารจงเกิดขึ้นแก่เรา การที่อวิปติสารเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีอวิปติสารไม่ต้องตั้งใจว่าขอปราโมจงเกิดขึ้นแก่เราการที่ปราโมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีอวิปติสารนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีปราโมไม่ต้องตั้งใจว่าขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราการที่ปิติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีปราโมนี้เป็นธรรมดา บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้องตั้งใจว่าขอกายของเราจงสงบการที่บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติมีกายสงบนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีกายสงบไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงสวยสุขการที่บุคคลผู้มีกายสงบสวยสุขนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีสุขไม่ต้องตั้งใจว่าขอจิตของเราจงเป็นสมาธิ การที่บุคคลผู้มีสุขมีจิตเป็นสมาธินี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงรู้เห็นตามความเป็นจริงการที่บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงเบื่อหน่ายการที่บุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายนี้เป็นธรรมดา บุคคลผู้เบื่อหน่ายไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงคลายกำหนัดการที่บุคคลผู้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้คลายกำหนัดไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงทำให้แจ้งวิมุติยานัทสนะการที่บุคคลผู้คลายกำหนัดแล้วทำให้แจ้งวิมุติยานัทสนะนี้เป็นธรรมดาวิราคะมีวิมุติยานัทสนะเป็นผล มีวิมุตติยานัทสนะเป็นอนิสงส์น <tr> ิพิทามีวิราคะเป็นผลมีวิราคะเป็นอนิสงส์ยถาภูตยานัทสนะมีนิพิทาเป็นผลมีนิพิทาเป็นอนิสงส์สมาธิมียถาภูตยานัทสนะเป็นผลมียถาภูตยานัทสนะเป็นอนิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอนิสงส์ ปัสสติมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ปีติมีปัสปปสติเป็นผลมีปัสสติเป็นอานิสงส์ปราโมทมีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์อวิปปิสารมีปร calidad, ics, muchos, าโมทเป็นผลมีปราโมทเป็นอนิสงส์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอนิสงส์ิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมให้ธรรมทั้งหลายบริบูรณ์เพื่อออกจากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นอย่างนี้แหลเจตนากรณียสูตรที่สองจบ ถมมอุปนิสาสูตรว่าด้วยทำมีเหตุให้ถูกขจัดสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาวิปปิสารของบุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปิสารไม่มีปราโมทของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปราโมทไม่มี ปีติของบุคคลผู้มีปราโมทวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปีติไม่มีปัสสธิของบุคคลผู้มีปีติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อ yep ปัสสธิไม่มีสุขของบุคคลผู้มีปัสสธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาทิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว เมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตยานัทสนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานัทสนะไม่มีนิพิทาของบุคคลผู้มียถาภูตยานัทสนะวิบัติ ster ster felt, ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิทาไม่มีวิราคาของบุคคลผู้มีนิพิทาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว เมื่อวิราคะไม่มีวิมุติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วอวิปปติสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปติสารไม่มีปราโม์ของบุคคลผู้มีอวิปปติสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วละถึงเมื่อวิราคะไม่มี วิมุติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีวิราคาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสเกตเปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นอวิปปิสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปิสารมี ปราโมทของบุคคลผู ves, ้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปราโมทมีปิติของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปราโมทชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปิติมีปัสสติของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปิติชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปัสสติมีสุขของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปัสสติชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสุขมี สัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ er. ์ด้วยสุขชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตยานัทสณะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ <arı> Dec ์เมื่อยะถาภูตยานัทสณะมีนิพพทาของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตยานัทสณะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพทามี วิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อวิราคะมีวิมุติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเอาวิปติสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออาวิปติสารมีปรามโมของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอาวิปติสารชื่อว่า มีเหตุสมบูรณ์ละถึงเมื่อวิราคะมีวิมุติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเกตเปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นปฐมมอุปนิสาสูตรที่สจบ 4. ทุตีแยออปนิสาสูตรว่าด้วยทำมีเหตุให้ถูกกระจัดสูตรที่สองณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเอาวิปติสารของบุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกจัดแล้ว เมื่ออวิปปิสารไม่มีปราโมทของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปราโมทไม่มีปีติของบุคคลผู้มีปราโมทวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปีติไม่มีปัสสติของบุคคลผู้มีปีติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปัสสติไม่มีสุขของบุคคลผู้มีปัสสติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว เมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานัทสนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยถาภูตยานัทสนะไม่มีนิพิทาของบุคคลผู้มียถาภูตยานัทสนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิทาไม่มี วิราคาของบุคคลผู้มีนิพิทาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อวิราคะไม่มีวิมุติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีวิราคาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วอวิปติสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปติสารไม่มีปราโมทของบุคคลผู้มีอวิปติสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว ละถึงเมื่อวิราคะไม่มีวิมุติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกกะจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสเกตเปลือกกระพีแม้แก่นงต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นเอาวิปติสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่ออวิปปิสารมีปราโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปราโมทมีปีติของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปราโมทชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปีติมีปัตสัถิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปีติชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปัสัถิมีสุขของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปัสัถิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสุขมี สัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสุขชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยถาภูตยานทัศนะมีนิพพิธาของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพิธามี วิราคาของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อวิราคามีวิมุติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยวิราคาชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายอาวิปฏิสานของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออาวิปติสานมี ปราโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ละถึงเมื่อวิราคะมีวิมุติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเกตเปลือกกระพีแม้ก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นทุติยอุปนิสาสูตรที่สี่ 5. ตติยะอุปนิสาสูตรว่าด้วยทำ ม, มีเหตุให้ถูกกระจัดสูตรที่สามณที่นั้นแหลท่านพระอานนท์เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าละถึง ท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายอาวิปติสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออาวิปติสารไม่มีปราโมทของบุคคลผู้มีอาวิปติสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปราโมทไม่มีปิติของบุคคลผู้มีปราโมทวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปิติไม่มี ปัสถิของบุคคลผู้มีปีติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปัสถินีไม่มีสุขของบุคคลผู้มีปัสถิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานัทสนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่า มีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานทัศนะไม่มีนิพิทาของบุคคลผู้มียะถาภูตยานทัศนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิทาไม่มีวิราคะของบุคคลผู้มีนิพิทาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อวิราคะไม่มีวิมุติยานทัศนะของบุคคลผู้มีวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว อวิปปิสารของบุคคลผู้ทุศีนมีศีนวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปิสารไม่มีปราโมชของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วละถึงวิมุติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้ว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 เมื่อปีติมีปัสสธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปีติชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปัสสิมีสุขของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปัสสิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสุขมีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสุขชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียะถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่อยะถาภูตยานทัศนะมีนิพิทาของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยะถาภูตยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพิทามีวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อวิราคะมีวิมุติยานทัศน์ของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ผู้มีอายุทั้งหลาย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 เปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นตาติยะอุปนิสาสูตรที่หจบ 6. พยสนสูตรว่าด้วยความพินาศภิกษุทั้งหลายภิกษุใดก็าตามด่าบริาพาดเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายว่าร้ายพระอริยะเป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะถึงความพินาอย่างหนึ่งใน11อย่าง ความพินา11อย่างอะไรบ้างคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 3. สัตวธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้เข้าใจผิดว่าได้บรรลุสัต์ธรรม 5. เป็นผู้ไม่ยินดีประเพุทธพระมรรจัน 6. ต้องอาบัติที่เศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. บอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัต 8. เป็นโรคร้ายแรง 9. ถึงความวิกลจริตหรือจิตฟุ้งซ่าน 10. หลงลืมสติมรณภาพ 11. หลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุใดก็ตามด่าบริาพาสเพื่อนพรมมารีทั้งหลายว่าร้ายพระอริยะ เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นจะถึงความพินุาอย่างหนึ่งใน11อย่างภิกษุใดก็ตามด่าบริภาพเพื่อนพรมจารีทั้งหลายว่าร้ายพระอริยะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะไม่ถึงความพินุาอย่างหนึ่งใน11อย่างความพินุณาส11อย่างอะไรบ้างคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว สสัทธธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้เข้าใจผิดว่าได้บรรลุสัทธธรรม 5. เป็นผู้ไม่ยินดีพระพุทธพรมจรรย์ 6. ต้องอาบัติที่เศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. บอกคืนสิขากลับมาเป็นครหัส 8. เป็นโรคร้ายแรง 9. ถึงความวิกลจริตหรือจิตฟุ้งซ่าน 10. หลงลืมสติมรณภาพ 11. หลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุใดก็าตามด่าบริภาสเพื่อนโรมจารีทั้งหลายว่าร้ายพระอริยะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะไม่ถึงความพินาตอย่างหนึ่งใน11อย่างพยสนสูที่ 6. จบ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 ในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินในธาตุน้ําว่าเป็นธาตุน้ําในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุลมในอาการสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอาการสานัญจายตนะฌานในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานในอากินจัญญายตนณะฌานว่าเป็นอากินจัญญายตนณะฌาน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 ท่านพระอาโนนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีได้อย่างไรการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุลมในอาการสาญนนจายตนะฌานว่าเป็นอากาสาญนนจายตนะฌานในวิญญาณจายตนะฌานว่า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 ที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมีสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนทพิษุในธรรมวิในนี้เป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละเคืรนอุปธิกิเลทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกําหนัดความดับนิพพานอานน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 ที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมีสัญญาครั้งนั้นท่านพระอาหนนชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่สนธนาปรสาสัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า ท่านสารีบุตรมีได้หรือห no การที่พิกษุนได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินและถึงในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมีสัญญาท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านอา n o ์มีได้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 ไม่ต้องมีสัญญาแม้ในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมีสัญญาท่านอาโ น, น์ภิกษุในธรรมวิไนนี้เป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัหา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 น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏการที่อัดกับอัดพยัญชนะกับพยัญชนะของพระาศาสดาและพระสาวกเปรียบเทียบกันได้เสมอกันไม่ผิดกันในบทอันเลิศท่านผู้มีอายุเมื่อสักครู่นี้ผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามเนื้อความนี้แล้วแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบเนื้อความนี้แก่ผมด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้